วันนี้เป็นวันจันทร์ที่29รรการกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทไม่ต้องไปทำงานทำการเพราะเป็นวันหยุดชดเชยเรื่องในวันเฉลีงพระชนมาพรรษาที่ผ่านมา อยาอยมผู้มีจิตศรัทธาใฝ่ธรรมจึงมีเวลาว่างมีเวลาที่จะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อตอบความลังเลสงสัยต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไป ความลังเลสงสัยนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นสวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ใครไปถ้ามีจริงถ้ามีสวรรค์มีนรกจริงมีการเวียนว่ายตายเกิดจริงใครเป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิด คาถามเหล่านี้มักจะมีอยู่ในใจของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมหรือได้บรรลุธรรมอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย<ม>นั่นก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง สวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแล้วรู้ว่าใครเป็นผู้ที่ไปนรกใครไปเป็นผู้ที่ไปสวรรค์ใครเป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิด<ม>ผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดไปนรกไปสวรรค์ น, นี้คือใจใจนี้เป็นส่วนประกอบครึ่งหนึ่งของ ชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและจิตใจหรือใจร่างกายนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกาย<ม>เช่นเวลาเราส่องกระจกดูเราก็จะเห็นหน้าต่างของร่างกาย<ม>เราก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา แต่ความจริงผู้ที่เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้ว่าร่างกายนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่รู้จักตัวเขาเองเพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรได้ผู้ที่รู้ว่าร่างกายนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนี้คือใจใจผู้ใจผู้ที่ ควบคุมร่างกายใจผู้ที่สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีความสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้รับรู้เรื่องราวที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้เช่นรู้รูปที่เข้ามาทางตารู้เสียงที่เข้ามาทางหูรู้กลิ่นที่เข้ามาทางจมูก รู้รถที่เข้ามาทางลิ้นแล้วรู้สัมผัสต่างๆที่เข้ามาผ่านทางอาวัยผ่านทางร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายร<ม>่างกายเองไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นผู้เห็นผู้รับรูปผู้ผู้รับเสียงรับกลิ่นรับรสรับสัมผัสต่างๆ แต่ร่างกายไม่รู้ว่าเขารับอะไรเข้ามาร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับกล้องคล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี้เราสามารถถ่ายภาพได้บันทึกเสียงได้รับสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งได้สามารถส่งสัญญาณไปหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งได้ แต่ตัวโทรศัพท์นี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรอยู่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังถ่ายภาพหรือเขากำลังบันทึกเสียงแต่เขามีความสามารถที่จะถ่ายภาพได้มีความสามารถที่จะบันทึกเสียงได้ผู้ที่รู้ว่าโทรศัพท์มือถือกาลังถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงอยู่นี้คือผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือนี่คือเราพวกเราเดี๋ยวนี้ มีโทรศัพท์มือถือกันทุกคน<ม>เราใช้โทรศัพท์มือถือไว้ถ่ายรูปบ้างไว้บันทึกเสียงบ้างไว้ติดต่อกับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งบ้าง<ม>แต่โทรศัพท์เองนั้นมันไม่มีตัวมันไม่มีความรู้ว่ามันทำอะไรเป็นทำไรได้<ม><ม>ความสามารถที่จะรู้ไม่มีในโทรศัพท์มือถือฉันใดความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆที่ร่างกายไปรับมามก็ ก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายร่างกายไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่มีความสามารถที่จะรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับอะไรต่างๆได้และรับคําสั่งจากใจได้ด้วยใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆถ้าใจไม่สั่งร่างกายนี้จะขยับไม่ได้เหมือนที่โบราณเขาพูดว่า อ้าถ้าหัวไม่ใส่หางก็กระดิกไม่ได้หัวต้องใส่หัวหัวก็คือใจใจต้องสั่งการร่างกายถึงจะรับคําสั่งแล้วทําอะไรตามคําสั่งได้เช่นวันนี้ญาติโยมมาที่วัดนี้ได้นี้มาได้เพราะอะไรเพราะใจเป็นผู้สั่งใจสั่งว่าวันนี้วันหยุดมีเวลาว่างไปทําบุญไปวัดกันดีกว่า ไปทางฟังเทศฟังธรรม mm hmm. ผู้ที่คิดนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายคิดไม่เป็น mm hmm. ร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้ที่รอรับคําสั่งจากความคิดเท่านั้นเองพอใจคิดแล้วใจก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดกัน mm hmm. ให้ขึ้นรถให้ขับรถให้เดินไปเดินมาจนกว่าจะมาถึงที่นี่ mm hmm. yeah. เป็นผู้ ใจนี้เป็นเพียงเอใจนี้เป็นผู้สั่งและร่างกายนี้เป็นผู้รับคําสั่งเราจึงมีคําพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี่แหละเป็นผูส้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายบางครั้งก็สั่งให้ไปทําบุญบางครั้งบางครั้งก็สั่งให้ไปทําบาปแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ที่อาจจะมาบีบบังคับหรือทำให้ต้องไปทำสิ่งต่างๆบางคนก็ไม่ชอบไม่อยากจะทำบาปแต่ก็ทาแต่ก็อดทำไม่ได้เช่นเวลาไม่มีข้าวกินนะก็อาจจะต้องไปรักทรัพย์ของพูดรักอาหารรักขโมยของอาหารของพูนเพื่อเอามารับประทานเพราะว่าไม่มีสตังที่จะไปซื้ออย่างนี้ก็ ก็เป็นการกระทําบาปบางครั้งก็มีโชคถูกหวยถูกกัตะตอเร่มีเงินเหลือใช้ก็อยากจะเอาไปทําบุญก็สั่งให้ร่างกายเอาเงินที่เหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปทําบุญผู้ที่สั่งผู้ที่ทํานี่แหละคือใจนะไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคําสั่ง เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมื อ, อมที่ไม่รู้เรื่องอะไรเช่นเวลาที่เราเอามีดมาทำมาร้ายผู้อื่นเอาไปทิ้มมาไปแทงผู้อื่นเวลาตํารวจเขามาจับเขาไม่จับมีดไปขังคุกขังตารางเพราะมีดไม่ได้เป็นผู้กระทำเ ป, เป็นเพียงเครื่องมือผู้ที่ทําคือคนที่ใช้มีด บุญกับบาปก็เป็นอย่างนี้เวลาที่ร่างกายไปทำบุญร่างกายไม่ได้เป็นคนทาร่างกายเป็นคนรับคำสั่งให้ไปทำเป็นเหมือนเครื่องมือผู้ที่สั่งให้ทำก็คือใจออและผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปก็คือใจอไม่ใช่ร่างกายเวลาร่างกายทำอะไร ทำดีหรือทำไม่ดีทำบุญหรือทำบาสน่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนแต่ผู้ที่เปลี่ยนไปก็คือในใจคือใจเวลาทำบุญใจจะเกิดความสุขใจขึ้นมานะนะเวลาทำบาปใจจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือผู้กระทาคือใจและผู้รับผล ของการกระทําก็คือใจผลของการกระทํานี้ก็มีอยู่หลายหลายระยะด้วยกันระยะที่หนึ่งก็คือเวลาที่เราทําเวลาที่เราไปทําบาปนี่ใจเราจะไม่สบายขึ้นมาเกิดความห ว, วาดกลัวเกิดความวิตกเช่นเราไปขโมยของเขานี่เราก็กลัวว่าจะถูกเขาตามมาจับ มาเอาของคืนไปหรือมาจับเราไปลงโทษเอาไปติดคุกติดตารางผู้ที่ไม่ผู้ที่มีความรู้สึกไม่สบายไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็ยังเป็นปกติยังไม่ได้ปวดหัวปวดท้องไม่ได้เจ็บตั้งเจ็บนี่ mm. แต่ผู้ที่ไม่สบายคื้นใจ mm. ใจมีความรู้สึกไม่สบายเวลาทำอะไรที่ไม่ดีเพราะกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษ เวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาก็ตกใจทันทีบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาเสียด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้มาจับเราเขาเพียงอาจจะมาถามอะไรเราบางอย่างอาจจะถามทางเราว่าบ้านคนนั้นหมายเลขที่นั้นอยู่ตรงไหนแต่ใจของเรานี่ที่ไปทำบาปมานี่มันจะหวาดผวาหวาดกลัวเพราะ กลัวว่าเขาจะมาตามจับเราไปลงโทษนี่คือผลของบุญหรือผลของบาปที่เกิดขึ้นในระยะแรกคือในระยะที่เรายัางมีชีวิตอยู่ <c oughs> พอเราทำบุญนี่เราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาสบายใจขึ้นมานี่คือผลของบุญแต่ไม่ได้เกิดที่ร่างกายเกิดที่ใจ ร่างกายก็เหมือนเดิมร่างกายไม่ได้มีความรู้สึกว่ า, าสบายขึ้นหรืออะไรขึ้นแต่อย่างใดร่างกายก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าผู้ที่ทำบุญหรือทำบาปนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเหมือนกับมีดที่เราเอาไปทิ่มแทงคนอื่นมีดมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เอามีดไปตัดไม้ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ทำประโยชน์ มีดมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือมันก็ไม่ได้เร็วลงจากการใช้มีดไปทาอะไรต่างๆแต่ผู้ที่มีความรู้สึกดีหรือไม่ดีนี้สุขหรทุกข์นี่คือผู้กระทำะผู้กระทาก็คือใจอใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆชีวิตของพวกเรานี้ทุกวันนี้ ที่ร่างกายเราเคลื่อนไวหวอะไรได้ทำอะไรได้ต่างๆนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี่ก็อยู่ที่คำสั่งของร่างกาย mm hmm. เช่นพอเราตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาปับ๊บล้วก็สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาดูนาฬิกาดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ต้องไปทําอะไร mm hmm. พอต้องไปทาอะไรก็รีบไปอาบน้ำอาบทา้างหน้าล้างหน้ า, า, น า, า, นาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว ทำอะไรกินข้าวออกเดินทางไปทำงาน mm. เวลาทำงานก็สั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ไปตามหน้าที่ทำไปจนกระทั่งถึงเวลาพักกลางวันก็หยุดพักสั่งให้ร่างกายหยุดทำงานแล้วก็ให้ร่างกายมาหาข้าวกินอเอาข้าวให้ร่างกายกินอนะไรตา่างๆการกระทำเหล่านี้เกิดจากใจเป็นผู้สั่งการทั้งนั้น ถ้าไม่มีใจมาสั่งการนี้ร่างกายจะเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นเหมือนซากศพคนที่ตายนี่เป็นคนเป็นร่างกายที่ไม่มีใจมาคอยสั่งการจึงต้องมีคนมาคอยคอยแบกคอยหามคอยอุ้มคอยยกเวลาคนตายไปแล้วนี่ร่างกายมันจะเคลื่อนไหวเองไม่ได้แล้วเพราะผู้ที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วไม่ได้ติดต่อกับร่างกายแล้วร่างกายไม่มีใครมาสั่งให้มันทำอะไรมันก็เลยนอนแข็งโดอยู่อย่างนั้น <_ D> เขาเวลาจัดการกับศพเขาเลยต้องมีสับ ป, ปะเลอมีคนมาช่วยกันยกเอาศพเข้าโรงเอาศพเข้าเตาเผาอะไรเป็นต้นร่างกายไม่สามารถทำอะไรของมันเองได้เพราะมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนดีๆนี่แต่มันมี การขึ้นไหวได้มีการกระทำได้ก็ตอนที่มีใจมาคอยสั่งการให้มันทำอะไรนั่นเองว่าพอเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี่ใจที่มาคอยใช้ร่างกายก็แยกออกจากร่างกายไปใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตา <c oughs> เราจะเรียกว่าใจว่าเป็นมนุษย์ล่องหนก็ได้ แต่ผู้เป็นผู้ที่มีความสามารถคิดมีสามารถรู้สึกนึกคิดได้รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดจากการทำบุญจะเกิดจากการทำบาปเนี่ย <Yeah. S 2> ผู้ที่รู้สึกรับ ร, รับรู้ความรู้สึกนี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกาย <Yeah. S 2> ร่างกายไม่รู้อะไรทั้งสิน้น <Yeah. S 2> พอร่างกายตายไป <Yeah. S 2> ใจกับร่างกายก็จะแยกทางปัป เหมือนสามีภรรยาที่อย่ากันเวลาเวลารักกันเราก็อยู่ร่วมกันพอเวลาเราเกลียดกันเราก็แยกทางกันไปฉันใดร่างกายกับใจก็เป็นเหมือนสามีภรรยาเวลาที่ร่างกายยังทำอะไรได้อยู่ยังหายใจได้อยู่ใจก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาให้ใจไปพาใจไปทำอะไรต่างๆ เช่ในใจอยากจะมาวัดก็ต้องใช้ร่างกายพามาวัดใจอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ต้องมีร่างกายพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่พอร่างกายหยุดหายใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตา่างการหยุดหายใจของร่างกายนี้มีหลายสาเหตุด้วยกันอาจจะหยุดหายใจเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะมีภัยอุบัติภยัยหรือจะถูก ประทุษร้ายทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆที่ทำให้ร่างกายหยุดหายใจพอร่างกายหยุดหายใจใจก็ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรได้ก็เหมือนกับเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือแล้ววันหนึ่งโทรศัพท์มือถือมันเสียมันใช้ไม่ได้เราจะทำอย่างไร ก็มีสองทางเลือกบางทีเราซ่อมได้<ม>เราก็เาเข้าเข้าไปซ่อมที่ร้าน<ม>ถ้าซ่อมไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมันไปร่<ม>างกายก็เป็นเหมือนกันร่<ม>นางกายบางทีมันก็ไม่สามารถรับคำสั่งอะไรที่เราสั่งให้มันทำได้ถ้ามันยังมีลมหายใจยอยู่เราก็อาจจะพาไปโรงพยาบาล<ม>ไปหาหมอไปหายามารักษาให้มันกลับมาแข็งแรงมีกำลังวางชา ที่จะทำลายตามคำสั่งของเราแต่ถ้ามันไม่หายใจหมอช่วยไม่ได้พยาบาลช่วยไม่ได้ยาช่วยไม่ได้เราก็ส่งร่างกายไปที่วัดต่ อ, อไปให้สับเปลอจัดการเผาไปร่างกายเมื่อถูกไฟเผามันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าที่ถ่านไปถ้าเรามองเห็นเพียงแต่ร่างกายแล้วเราคิดว่าเราเป็นร่างกาย เราก็อาจจะคิดว่าเวลาร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเราก็อยาก จ, จะคิดว่าไม่มีตายแล้วเรียกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกที่จะต้องไปรับผลต่อไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็คือใจเนี่ย ใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่ทำบุญและผู้ที่ทำบาปไม่ใช่น่างกายน่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับคาสั่งเป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นมีดมเป็นรถยนต์เป็นโทรศัพท์มือถือของเหล่านี้ก็เป็นเพียงเครื่องมื อ, อรับคาสั่งแต่เวลาตำรวจมาจับเวลาที่เราใช้เครื่องมือเหล่านี้ทาผิดกฎหมาย เขาไม่จับเครื่องมือเหล่านี้ไปลงโทษแต่เขาจับคนที่ใช้เครื่องมือไปลงโทษก็คือเขาจับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือคนที่ใช้มีดใช้ปืนเนี่ยไปลงโทษส่วนเครื่องม้าเครื่องมือเขาก็รีบเก็บเอาไว้เท่า น, นั้นเองไม่ให้ใครเอาไปใช้ให้เป็นโทษต่อผู้อื่นต่อไป ใจก็เหมือนกันใจนี้เป็นผู้ผู้ที่ใช้ร่างกายนี้พอร่างกายตายไปแล้วใจก็เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปบุญที่เราทำไว้ยังไม่ได้หายไปยังฝังอยู่ในใจบาปที่เราทำไว้ในแต่ละครั้งมันก็ยังฝังอยู่ในใจพอร่างกายนี้ตายไป บุญกับบาปเนี่ยที่มีอยู่ในใจนี้มันก็จะเป็นผู้ที่มาดึงใจให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจไปสวรรค์ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจไปนรกไปอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตไปเป็นอนุสรกายไปเป็นนร ก, ปปนนกบ้าง ถ้าบาปทำไว้มีกำลังมากกว่าบุญถ้าบุญทรวะทรวะทำไว้มีมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นจาตุมสวรรค์ชั้นดุสิตมีหกชั้นด้วยกันคือสวรรค์สวรรค์ก็คือที่มีแต่ความสุขใจสบายใจ เหมือนกับสถานที่ที่เราไปท่องเที่ยวกันเวลาเราไปท่องเที่ยวนี้เรามักจะมีแต่ความสุขกันไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่มีความเพลิดเพลินมีความสุขขณะเวลาที่เราไปสวรรค์ก็เหมือนเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสวรรค์นี้ก็เป็นเป็นสถานที่ที่ใจหนึลมิชขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันดีบางคืนบางทีเรานอนหลับเราก็ฝันดี ว่าโอ้ยเราได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไปพบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ให้ความสุขต่างๆกับเรา<ม>นี่แหละคือสวรรค์<ม>สวรรค์ก็คือโลกแห่งความฝันนอง<ม>เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับ<ม>เวลาที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนตายชั่วคราว<ม>ตอนนั้นร่างกายนอนเฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่ทาอะไร<ม>ใจนี่แหละเป็นผู้ที่ สร้างสวรรค์สร้างนารกขึ้นมาในรูปแบบของความฝันฝันดีหรือฝันร้าย<ม>ถ้าฝันดีก็เรียกว่าเป็นสวรรค์<ม>ถ้าฝันร้ายก็เรียกว่าเป็นนรกเนี<ม>่ยความฝันที่เราฝันกันในตอนที่เรานอนหลับนี่เป็นเหมือนหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างที่เราจะไปดูต่อไปเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว เวลาร่างกายของเราตายไปแล้วนี่เราจะไปดูหนังจริงหนังยาวเหมือนกับเวลาที่เราไปดอ ง, งหนังนี่บางทีก่อนที่จะฉายหนังจริงเขาก็ฉายหนังตัวอย่างให้เราดูก่อนว่ามีหนังเรื่องนี้กาลังจะเข้าโรงนะมีอะไรบ้างเป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรสนุกไหยน่ากลัวไม่มน่ารักไ้ยตลกไ้ยเป็นต้นหนังตัวอย่างยังไม่ใช่เป็นหนังจริง ขันใดเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเราดูหนังตัวอย่างของ<ม>ของนรกของสวรรค์กัน<ม>ถ้าเราฝันดีเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างของสวรรค์<ม>ถ้าเราเฝันร้ายฝันไม่ดีเราก็จะเห็นตัวอย่างของนรกหรือของอบาย<ม>หรือของอสุรกาย<ม>แล้วพอเวลาเราตายจริงเวลาที่ร่างกายตายไป ความฝันที่เราฝันมันก็จะเป็นหนังจริงขึ้นมาเป็นเรื่องยาวขึ้นมาฝันแบบไม่มีเป็นปีๆเป็นร้อยปีพันปีฝันดีก็จะฝันเป็นร้อยปีพันปีฝันไม่ดีก็จะฝันเป็นร้อยปีพันปีจนกว่าหนังมันจะจบคือจนกว่าบุญหรือบาปที่เป็นผู้ผลิตสวรรค์หรือผิดนโกนี้มันหมดกำลังลงพอมันหมดกำลังลง ใจก็ว่างขึ้นมาไม่มีหนังให้ดูพอไม่มีหนังให้ดูใจก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่ไปประกบกับร่างกายอันใหม่เวลาที่มีพ่อแม่ตั้งคันขึ้นมาพ่อแมอ่สร้างลูกขึ้นมาพอมีลูกตั้งท้องขึ้นมาปั๊บใจที่เป็นดวงวิญญาณก็มาเชื่อมมารักมามามาติดต่อกับร่างกายที่กำลัง กำลังสร้างขึ้นมาแล้วพอร่างกายโตขึ้นมาเก้าเดือนก็ออกจากท้องแม่ขึ้นมาพ อ, ออกจากท้องแม่ขึ้นมาใจก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาเพราะได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายอใหม่ของทารกพอลืมตาขึ้นมาใจก็ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายก็เหมือนตื่นขึ้นมาเวลาตายก็เป็นเหมือนนอนหลับ คือแต่ว่าเราตื่นขึ้นมานี้ไม่ได้ไม่ได้ร่างกายอันเก่าได้ร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันเก่ามันหมดสภาพไปแล้วมันแก่นะมันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้นะมันก็ตายเวลาตายจริงๆก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับไปในเวลาที่เราเกิดนี่ก็เหมือนเวลาที่เราตื่นขึ้นมาใหม่เราเกิดมาพอออกมาจากท้องแม่เด็กก็ลืมตาขึ้นมาเริ่มสัมผัสรับรู้ กับสิ่งต่างๆก็เริ่มร้องขึ้นมาเพราะต้องหายใจเองถ้าไม่หายใจเองก็เจ็บก็ทรมานขาดลมไม่ได้ก็ต้องหายใจเด็กออกมาข้างหน้าต้องร้องกันทุกคนเพราะไม่มีลมหายใจยังหายใจไม่ยังไม่หายใจเองก็ขาดลมก็เลยร้องขึ้นมาเพอถูกกระตุ้นให้หายใจมันก็เลยหายร้องอพอมีลมเข้าไปอนี่แหละคือใจกับร่างกาย ที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราร่างกายนี้เป็นส่วนที่เป็นส่สวนชั่วคราวเกิ อ, อยู่ได้ไม่นานไม่เกินร้อยปีในยุคสมัยของเรานี้พ อ, อถึงประมาณร้อยปีร่างกายมันก็เสื่อมหมดสภาพหมดกำลังไม่มีเลี้ยวมีแรงที่จะหายใจได้ต่อไปร่างกายมันก็ตายไปแต่ใจที่มาครอบครองร่างกาย มาใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเพราะมันไม่มีไม่มีรูปร่างหน้าตามันไม่มีองค์ประกอบที่มาทำให้มันต้องตายแต่ร่างกายนี้มันมีองค์ประกอบสี่ประกอบสี่สี่องค์ด้วยกันคือร่างกายนี้มันมาจากดินน้ำล ม, ม, มไฟ ร่างกายนี้ต้องมีธาตุดินธาต้น้ําธาตลมธาตไฟมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้ในเวลาที่มันจะเจริญเติบโตหรือจะอยู่เวลาออกจากท้องแม่มามันก็ต้องคอยเติมลมเติมน้ําเติมดินเติมไฟอยู่ตลอดเวลาลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็เป็นธาตลมที่ร่างกายต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆธาต้น้ําก็คือน้ําต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายของเหลวต่างๆ ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้าที่จำเป็นต่อการอยู่ของร่างกายต่อการเจริญเติบโตของร่างกายธาตุไฟเราก็ได้มาจากความร้อนของแสงอาทิตย์แล้วธาตุดินเราก็ได้มาจากข้าวอาหารที่เรารับประทานเข้าไปของแข็งต่างๆข้าวเอยผักเอยเนื <í. S 1> ้อสัตว์เอยที่เรากินเข้าไปนี้ร้วนเป็นธาตุดินพอเข้าไปในร่างกายธาตุทั้งสีนี้มันก็จะผสมกันอยู่ในท้อง ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็จะผสมกันแล้วมันก็จะแยกกลายเป็นชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายมันก็ไปเสริมอวัยวะต่างๆของร่างกายทําให้ผมยาวขึ้นทําให้ขนยาวขึ้นทําให้เล็บยาวขึ้นทําให้หัวใจโตขึ้นทําให้ปอดใหญ่ขึ้นทําให้อวัยวะต่างๆสามารถทํางานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีธาตุสี่มาคอยเติมอยู่เรื่อยๆพอถ้าขาดธาตุสี่ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งขึ้นมาร่างกายก็เกิดวิบัติขึ้นมาได้เช่นเวลาขาดลมหายใจถ้าลมไม่เข้าแนะล้วร่างกายก็ตายพอตายแล้วนี่ธาตุที่มารวมกันนี่มันก็จะเริ่มแยกตัวออกจากกันสิ่งแรกที่ออกจากร่างกายก็คือธาตุลมลมไม่เข้าแล้วก็มีแต่ลมออก ลมที่ระเหย อ, ออกมาตามทวารต่างๆแล้วตามด้วยธาตุไฟความร้อนในร่างกายก็จะหายไปสังเกตดูถ้าไปจับร่างกายของคนตายนี้ร่างกายของคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นเพราะไม่มีธาตุไฟอยู่ในร่างกายแล้วธาตุลมออกไปตามด้วยธาตุไฟถ้าทิ้งไว้ต่อไปก็ธาตุน้ำก็จะออกมาตามทวารต่างๆจนในที่สุด ร่างกายก็จะแห้งกรอบอวัยวะต่างๆที่ที่ที่เป็นที่มีความนุ่มมีความอะไรมันก็จะหายไปเหลือแต่ลายเป็นของแห้งกรอบไปเป็นเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกและอวัยวะต่างๆที่แห้งถ้าทิ้งไปนานๆเข้ามันก็จะผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายของทุกๆคน มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ต้นร่างกายก็ถ้าเปรียบเทียบมันก็เป็นเหมือนกับต้นไม้นี่เองต้นไม้ก็ต้องมีธาตุดินน้ําลมไฟเวลาจะปลูกต้นไม้ต้องไปปลูกที่ไหนปลูกในดินใช่ไหมต้องมีธาตุดินแล้วต้องใส่น้ําให้มันหรือเปล่าต้องมีน้ําถ้าปลูกต้นไม้ในที่แห้งๆต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นต้นไม้ต้องมีน้ํามีดิน แล้วก็ต้องมีไฟมีความร้อนพอประมาณไม่ร้อนเกินไปไม่ไม่เย็นเกินไปถ้าร้อนมากก็ต้นไม้ก็ไม่ขึ้นเช่นไปปลูกต้นไม้ในทะเลทรายมันก็ไม่ขึ้นถ้าไปปลูกต้นไม้ในที่ในในในขั่วโลกเหนือมันก็ไม่ขึ้นเพราะมันหนาวเกินไปมันต้องปลูกอยู่ที่ที่ที่มันไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปที่มีความร้อนพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป แล้วก็ต้องมีลมหายใจมีลมมีอากาศมีธาตุลมคือถ้าเราพูดสมัยปัจจุบันก็คือต้องมีธาตุออกซิเจนต้นไม้นี่เขาก็ต้องมีธาตุมีมีมีออกซิเจนไว้หายใจ <Yeah. S 1> พอมีครบสี่ชนิดต้นไม้มันก็จะงอกขึ้นมา <Yeah. S 1> พอได้น้ำได้อะไรอยู่เรื่อยๆมันก็จ ะ, จะเจริญเตบิตบโตบขึ้นมาจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ แต่มันจะใหญ่ขนาดไหนมันก็ในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันต้นไม้อยู่ไปนานๆมันก็จะเริ่มผุพังแล้ววันดีคือดีมันก็ล้มลงมาโดยที่ไม่มีใครไปทําอะไรมันเพราะมันเสื่อมมันหมดอายุไขของมันร่างกายกับต้นไม้นี่ก็เหมือนกันต่างกันที่ร่างกายมีใจมามาครอบครองมารับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่ร่างกายสามารถรับรู้ได้รับได้คือมารับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายร่างกายกับร่างกายกับต้นไม้ต่างกันตรงที่ตรงนี้ต้นไม้ไม่มีวิญญาณไม่มีใจไปครอบครองเพราะอะไรเพราะต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายใจนี่นต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาเสพมา มาให้ความสุขจึงต้องไปหาสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์ในราชาเนี่ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ร่างกายใจนี้จะไม่ไม่ไปติดกับต้นไม้เพราะต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายให้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจต้องการที่จะเสพที่จะสัมผัส อดังนั้นตนน้นไม้นี่ไม่มีดวงวิญญาณเราเรียกว่าไม่มีใจแต่ร่างกายของพวกเรา this มีดวงวิญญาณมีใจมาเกาะแต่ก็เกาะอยู่ด้วยกันชั่วคราวอยู่ไปจนถึงเวลาที่ร่างกายหยุดหายใจตอร่างกายหยุดหายใจใจก็แยกออกจากร่างกายไปใจก็จะอยู่ในโลกทิพย์ที่เราเรียกว่าโลกทิพย์โลกของจิตโลกของวิญญาณ ใจยอยู่ในโลกทิพย์ Tim, แล้วใจเป็นผู้ที่จะรั ples, บผลบุญผลบาปที่เกิดจากการทำบุญทำบาปในขณะที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำอะไรต่างๆก็จะได้สวรรค์บ้างได้นรกบ้างได้อบายบ้างได้เป็นเปรตบ้าง <ผ too, S 1> ได้เป็นอนุสวรกายบ้างได้เป็นเทพบ <pastors S 1> <gon> ้างได้เป็นพรหมบ้างได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าได้นิพพานบ้าง ก็เกิดจากการกระทําต่างๆของใจโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเั่นั้นเองดังนั้นจึงขอจึงสรุปได้ว่าเวลาตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์นี้มีจริงนะเหตุที่พาให้ใจไปนรกไปสวรรค์ก็คือบุญหรือบาถ้าทำบุญบุญก็จะส่งให้ใจไปสวรรค์ให้ใจไปเนรมิตไปสร้างเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเหมือนกับความฝันให้ให้ใจฝันดีเวลาที่ร่างกายตายไปใจจะอยู่ในโลกของความฝันฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่านรกแล้วความฝันนี้มันก็จะฝันไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังของบุญหรือของบาปมันหมดกําลังลงพอหมดกําลังลงใจก็จะมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาเกิดใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายต่อไปนี่ก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกายร่างกายที่เรามีอยู่นี้มันจะไปสู่เมนไปสู่สุสานถ้าไม่ไปเผาก็าไปฝังแล้วมันก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดเดีย๋ยนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะคิดว่าชีวิตเรามีเพียงร่างกายเพียงอย่างเดียวเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็ใครไปรับผลบุญผลบาปก็ไม่มีก็จะคิดว่า ตายแล้วก็ศูนย์เนี่ยคนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือพวกที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวของชีวิตของของตนคิดว่าตนเองเป็นร่างกายไปคิดว่าใจผู้ใช้ร่างกายนี้เป็นร่างกายพอร่างกายตายไปใจก็ตายไปกับร่างกายผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทําไว้ก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาสนารกสวรรค์ก็ไม่มีเขาก็ เขาเขาก็พิสูจน์ไม่ได้หาสวรรค์ไม่ได้ส่งยาวนาวกาศขึ้นไปบนฟ้าก็หาสวรรค์ไม่เจอมีแต่ท้องฟ้าว่างๆอยู่บนบนท้องฟ้าเจาะลึกเข้าไปในดินเพื่อที่จะไปหานาลกก็ไม่มีนาลกให้หามีแต่น้ํามันมีแต่แร่ธาตุต่างๆ<ม>เขาก็าจะปฏิเสธเรื่องนาลกเรื่องสวรรค์เขาก็จะว่าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ น, นี้เป็นเรื่องงมงายเพราะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยความรู้ของเขา ด้วยความสามารถของเขาเพราะเขาไม่รู้จักวิธีพิสูจน์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องจิตวิญญาว่าต้องพิสูจน์อย่างไรคนสมัยโบราณนี่เก่งกว่าพวกเราเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เขารู้จักวิธีพิสูจน์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องจิตวิญญาเรื่องของโลกทิพย์ต่างๆนี้เขารู้จักวิธีพิสูจน์วิธีพิสูจน์ของคนโบราณก็คือ การเข้าสมาธินี่เราต้องเข้าสมาธินั่งทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะเข้าสู่โลกทิพย์ทันทีแล้วเราก็จะเริ่มเห็นโลกทิพย์ว่าเป็นอย่างไรเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นกายทิพย์ชนิดต่างๆเห็นเห็นกายทิพย์ของเทวดาเห็นกายทิพย์ของเปรตเห็นเห็นต่างๆอย่างชัดเจนต้องเห็นด้วยการ ฝึกสมาธิเข้าสมาธิถ้าไม่เข้าสมาธิแล้วจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ได้<ม>เพราะว่ามันต้องมีเครื่องมือเหมือนกับที่เราถ้าอยากจะไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องมีกล้องไปถ่าย<ม>แล้วเราก็เอากล้องที่เราไปรูปที่เราถ่ายจากกล้องนี้มายืนยันว่านี่แหละสถานนี้มีจริงนะ<ม>ไปมาแล้วไปถ่ายรูปมาแล้ว<ม>ถ่ายเซลฟี่ให้เห็นเลยไปอยู่ที่นั่นที่นี่ จะได้ไม่สงสัยว่าโกหกหรือเปล่าฉันใดก็ถ้าอยากจะรู้ว่านะลกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> การมีว่าตายเกิดมีจริงหรือไม่กายทิพมีจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> ต้องไปใช้ต้องไปฝึกสมาธิเข้าสมาธิให้ได้ <Yeah. S 1> เพราะการเข้าสมาธินี้ก็คือการดึงใจให้เข้ากลับเข้าสู่โลกทิพตอนนี้ใจของเราออกมาอยู่ที่โลกของร่างกาย ออกมารับรู้โลกของร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้กาย<อ><ๆ>ก็เลยเห็นแต่สิ่งที่ร่างกายสามารถสัมผัสรับรู้ได้จึงสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆได้แต่ไม่สามารถรับรู้เรื่องของจิตวิญญาณได้ถ้าอยากจะรู้เรื่องจิตวิญญาณรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ว่ามีจริงหรือไม่นี้ต้องไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทาใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วของเหล่านี้ที่เป็นเรื่องลึกรับก็จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาเราไม่มีเครื่องมือกันเราขาดเครื่องมือคือสมาธิเราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงหรือไม่แต่เราก็โชคดีที่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้เอาเรื่องราวเราต่างๆเหล่านี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเรา ให้เรารู้ว่าเราเป็นใครให้เรารู้ว่าเราเป็นจิตวิญญาณเป็นดวงวิญญาณเป็นจิตเป็นใจที่มาครอบครองร่างกายเราก็ใช้ร่างกายให้เราไปทำบุญทำบาปอะไรต่างๆแล้วพอตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในนรกในอบายกลับมาก็บางทีก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์เดราฉาสก่อนถ้าบาปยังไม่หมดบาปยังมีที่พ้นต่อ ต่อใจอยู่แทนที่จะได้เกิดเป็นได้ร่างกายของมนุษย์ก็ต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉ า, านก่อนไปเป็นนกเป็นปลาเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นอะไรต่างๆไปก่อนจนกว่าบาปอนนี้มันจะหมดกําลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดใหม่ในการกลับมาเกิดใหม่มันก็ไม่ดีมันก็กลับมามันก็มาทําแบบเดิมอกีกมันก็มาทําบุญทําบาปเพราะใจเรามันมีความต้องการสิ่งต่างๆ เวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถทําโดยที่ไม่ไปทําบาปได้เราบางทีก็ต้องใช้วิธีทําบาปเช mm hmm. ่นอยากได้เงินได้ทองแต่หาเงินหาทองไม่ได้ mm hmm. ไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ mm hmm. บางคนก็ใช้วิธีไปลักขโมยเงินของคนอื่นหรือไปลักขโมยของของคนอื่นแล้วก็เอาไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทอง mm hmm. ก็จะต้องกลับมาทาบุญทําบาปอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย แล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไปเวียนว่ายตายก็จะไปรับผลบุญผลบาปในนรกในอบายต่อไปในสวรรค์ต่อไปแล้วพอหมดก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็เกิดมาทำบุญทำบาปใหม่แล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆการมาเกิดแต่ละครั้งก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆมากมายกายกองทุกตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มทุกข์แล้ว ไม่มีเด็กคนไหนที่ออกมาจากท้องแม่แล้วไม่ร้องไห้กันออกมาแล้วก็ร้องไห้แสดงว่าทุกข์แล้วทุกข์เพราะว่าไม่มีลมหายใจต้องหายใจเองต้องต้องดิ้นลน <pper pper> ต้องหายใจถ้าหยุดห า, ายใจเมื่อไหร่ก็ตายก็ทุกข์ทันที <pper pper> เกิดมาเป็นเรื่องของความทุกข์ต้องหาลมหายใจแล้วก็ต้องหาอาหารหาข้าวหาน้ําหาอะไรมากินอยู่เรื่อยๆ <pper pper <gou ff> ถ้าขาดข้าวข า, ขาดน้ําขาดอาหารเมื่อไหร่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้กระทั่งเด็กเล็กๆเกิดมาปั๊บก็มีโรคติดตัวมาก็มีทุกมันมีทุกแททุกทุกระยะของชีวิตเลทุกจากเรื่องนั้นทุกจากเรื่องนี้สุขนานๆก็จะมีสักครั้งหนึ่งในเวลาที่ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะทุกอย่างนี้ไปแล้วก็เรามาทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ทุกกับสิ่งนั้นทุกกับสิ่งนี้ แล้วในที่สุดในบ้านปลายของชีวิตก็ต้องมาทุกขกับความแก่ทุกขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มาทุกกับความตายการเวียนว่ายตายเกิดนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันมีแต่เรื่องทุกข์ให้เราต้องมาเจออยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็เบื่อกับเรื่องการเกิดกับการมาเวียนว่ายตายเกิดก็เลยไปศึกษาค้นคว้าดูหาว่าเหตุใดจึงทำให้ดวงวิญญาณของพวกเรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ ในที่สุดก็พบคําตอบว่ามันเกิดจากความอยากของใจใจมีความอยากอยู่สามอย่างด้วยกันอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสการมาตัณหากา ม, ากามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสตัณหาแปลว่าความอยากการมาคือกามาคุณหา้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผละพระใจของพวกเราทุกดวงนี่มีกามาตัณหากันแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยนี่ก็มีการมาตัณหา เห็นตุ๊กตาก็อยากจะได้เห็นขนมก็อยากจะกินอันนี้ก็คือการมาตัณหาแลไม่ต้องใครไม่ต้องมีใครสอนให้ให้ะให้ชอบให้ให้อยากได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มันเคยอยากมาเป็นเป็นเป็นเวลาอันยาวนานจนมันฝังอยู่ในใจพอเห็นอะไรปั๊บมันจะอยากขึ้นมาทันทีเห็นรลกก็อยากจะได้ดูเห็นเสียงก็อยากจะได้ฟัง เห็นตอนนี้เด็กไม่กี่ขวบนี่เอาโทรศัพท์มือถือไปให้มันเล่นอยู่เลยมันนั่งเล่นอยู่ทั้งวันเพราะมันอยากดูอยากฟังอยู่เฉยๆแล้วมันหงุดหงิดอะไรต้องหาของให้มันดูมันจะได้มันร้องไห้มาสร้างความลำคาญให้กับพ่อแม่พ่อแม่บางทีจะต้องทํางานทําการก็ต้องมาคอยเอคอยตอบสนองตัญหาของลูกเวลาลูกไม่มีอะไรทํามันก็เหงามันก็เบื่อมันก็ร้อง ก็เลยหาอะไรสมัยก่อนก็หาตุ๊กตาให้มันมาเล่นสมัยนี้มีของเล่นใหม่มีมือถือให้มันเปิดดูเล่นเกมในจอนนั้มันกดไปกดมามันก็เพลินพอมันเพลินมันก็ไม่มาล้องให้ไม่มารบกวนพ่อแม่ปล่อยให้พ่อแม่ทำอะายได้นี่แะคือกามาตันหาความอยากดูสิ่งต่างๆอยากฟังเสียงต่างๆอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นยันเห็นได้ได้กลิ่นทุกเรียนก็อยากจะกลินขึ้นมาะ ได้กลิ่นอะไรที่หอมๆก็อยากจะได้ขึ้นมาลิ้มรสของที่หวานที่ชอบก็อยากจะได้ขึ้นมานี่เรียกว่าการมาตัญหาไอ้ตัวนี้แหละที่ผักดันให้ใจต้องมามีร่างกายกันเพราะตัวใจเองไม่มีร่างกายไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสได้โดยโดยตัวของมันเองมันต้องอาศัยการมีร่างกายร่างกายเป็นเหมือนเครื่องมือเหมือนกับตัวศั์มือถือเนี่ย เราต้องอาศัยโทรศัพท์มือถือเพราะเราต้องการจะติดต่อกับคนนั้นติดต่อกับคนนี้เราก็ต้องไปซื้อมือถือมาติดต่อกันถ้าไม่มีมือถือเราก็จะไม่สามารถติดต่อคนนั้นคนนี้ได้พอเราไม่สามารถติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้เราก็รู้สึกเหงาขึ้นมารู้สึกว่าเหว่ขึ้นมาพอเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาสามารถติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ได้เราก็หายเหงาขึ้นมาวันวันหนึ่งเราไม่ต้องทําอะไรถือมือถือไปตลอดทั้งวันน่ะ นั่นแหลต่ตขึ้นมานี่มือถือไม่มีห่างไกลจากตัวเราเลยพอรู้สึกเหงาขึ้นมาก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาหาวิธีแก้เหงานอกจากติดต่อคนนั้นคนนี้ได้ยังสามารถติดต่อกับรูปเสียงกิจรูปเสียงต่างๆได้สามารถมองเห็นรูปสามารถฟังเสียงได้เพราะสาเหตุเกิดจากความอยากของเราในใจของเราเองจึง ท, ทาให้เราต้องมามีสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้เพื่อมาบรรเทาความหงุดหงิดลาคาญใจ เวลาใจเราอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นลดแล้วไม่ได้เสบนี่มันจะรู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกลำคาญใจอารมณ์จะไม่ดีแต่พอได้เสบแล้วมันรู้สึกอารมณ์สบายในเวลาเวลาที่เกิดความอยากขึ้น ม, มันก็ต้องไปตอบสนองความอยากอันใดเวลาที่ร่างกายตายไปใจมันก็ตอนต้นมันก็จะเสบบุญเสบบาปไปก่อน ที่มีฝังอยู่ในใจพอบุญกับบาปมันหมดไปไม่มีอะไรให้มันเสพแล้วทีนี้มันก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มันไปเกิดใหม่มเพื่อที่จะได้ใช้น่างกายอันใหม่นี้มาหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ<ม>นี่คือความอยาก อ, อันที่หนึ่งที่พาให้มาเกิดความอยากอันที่สองที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากมีอยากเป็นนั่นเองพอเกิดแล้วเราก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ลาบยศสเสริญ อยากให้คนยกย่องนับถือเราอันนี้ก็เป็นความอยากที่มาให้เรามาเกิดทุกคนพอมาเกิดแล้วอยากเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นอยากให้คนอื่นเขานับถือเรายกย่องเราเคารพเราสรรเสริญเราในทางคนข้ามเราก็จะไม่อยากให้เขามาด่าเรามาว่าเรามารังแกเรามาดูถูกเราอันนี้ก็เป็นความอยากด้านลบวิภาวะฐาหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากให้ไม่ให้ใครก็มาว่าเรามาตําหนิเรามาดูถูกมารังแกเรามาให้ความทุกข์กับเราหรือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เหมือนกันเวลาร่างกายแก่เจ็บตายมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความสบายใจมันก็อยากจะให้ความแก่ความเจ็บความตายหายไปคนบางคนก็หนีความแก่ความเจ็บความตายด้วยการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไปก็เพื่อที่จะไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนร่างกายอันเก่า มันก็ต้องไปเกิดใหม่อยู่ดี mm. อันนี้คือความอยากที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันพระพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดนี้มันไม่ดี mm. เกิดแล้วมันต้องเจอแต่ความทุกข์ทุกข์ทนิด ต, ต่างๆการไม่มาเกิดนี่ดีที่สุดการที่จิตอยู่ในโลกทิพย์จิตอยู่กับความสุขของโลกทิพย์นี่ดีที่สุดวิธีที่จะทำให้ใจไม่กลับมาเกิดก็ต้องมาหยุดตัหาความอยากทั้งสามนี้ หยุดกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาวิธีที่จะหยุดนี้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมกันไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาไปศึกษาถึงเรื่องถึงความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากของเราสิ่งที่เราอยากได้นั้งหมดนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเรายังเห็นว่าเป็นสุขอยู่นี้เรียกว่าเรายังหลงอยู่แต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข เราก็จะไม่อยากได้ขึ้นมาถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่กลับมาเกิดได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจออกบวชไปรักษาศีลเป็นอยู่เป็นแบบนักบวชเราก็ไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งทำจิตใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากต่างๆ ออกจากสมาธิมามาเกิดเกิดมีความอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็สอนใจว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้มันเป็นทุกข์มันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นของไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเ mm hmm. ช่นเวลาอยากจะมีแฟนคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอไปมีแฟนไปแต่งงานใหม่ๆก็มีความสุขกันแล้วอยู่ไปสักพักหนึ่งแฟนก็เปลี่ยนไปเราก็เปลี่ยนไปเคยรักกันแทนที่จะรักกันก็เคยดกรรมาเกลียดกันขึ้นมาก็ได้ พอเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนแปลงไปเคยรักกันกลับมาเกลียดกันความสุขที่ได้จากการรักกันมันก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการเกลียดกันมันก็กลับเข้ามาเี่ยเราต้องมองให้เห็นว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ที่จะมันไม่เป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลามันไม่รักกันไปตลอดเวลามันถึงเวลาหนึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปเคยรักก็เปลี่ยนงันมาไม่รักก็มีหรือไม่ไม่ไม่รักก็มีหรือเกลียดกันก็มี พราะไม่นักความสุขที่เคยได้จากการนักกันมันก็หายไปเพราะเกลียดกันความทุกข์ที่เกิดจากการเกลียดกันมันก็เข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หรือถ้ารักกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดคนหนึ่งตายจากไปก็ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันคําฟ้าไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะรักกันอย่างไรเมื่อถึงเวลาวันใดวันหนึ่งก็อาจจะเกิดคนใดคนหนึ่งตายขึ้นมาก็ได้ เรพอคนเขาตายจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่มีแฟนอยู่คนเดียวเราก็จะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้มาทําให้เราทุกข์พอมีแฟนแล้วมันก็มีเรื่องทุกข์ตามมาทุกข์กับแฟนทุกข์กับลูกทุกข์กับอะไรหลายอย่างที่ตามมาต้องพิจารณาด้วยปัญญาถึงจะเห็นการเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่แหละคือปัญญาทางพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็จะได้ตัดใจไม่เอาดีกว่า อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบพระดีกว่าไปบวชกันดีกว่าพระพุท<ม>ธเจ้าก็พิจารณาพระราชาสมบัติก็ไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งอาจจะถูกเขายึดไปก็ได้<ม>แพ้สงครามก็ก็ถูกเขาฆ่าตายได้เพราะต้องมีการแก่งแย่งชิงดีกันตลอดเวลา ม, มีอะไรไม่ช้าก็เล็วอาจจะต้องสูญเสียไปมีราบก็ต้องสูญเสียราบมียศก็ต้องสูญเสียยศ ม, มีสรรเสริญก็ต้องสูญเสียสรรเสริญมีม รูปเสียงกลิ่นลดให้เสียวันหนึ่งก็อาจจะสูญเสียลูกเสียงกลิ่นลดไปก็ได้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ไม่เป็นของไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งตาอาจจะบอดขึ้นมาก็ได้หูอาจจะหนวกขึ้นมาก็ได้ร่างกายอาจจะพิกลพิการขึ้นมาก็ได้มันมีสารพัดเรื่องที่จะทําให้เราต้องเจอกับความทุกข์ถ้าเราอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้ความสุขกับเราพร<ม>ะพุทธเจ้าจึงทรงตัดสินใจว่าเราอย่าหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ดีกว่า และการที่เราจะสามารถไม่หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องหาความสุขแบบใหม่คือความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธิถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอย่างหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสต่าง ถ้าเราสามารถมีความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่ที่โดยที่ไม่ต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองได้<ม>ดูพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี่ท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่ไม่มีทรัพสมบัติอะไรมากไปกว่าบริขารแดชิ้นทรัพสมบัติของพระพุทธเจ้ากับผ้าหลานนี่มีแค่8ดชิ้นเลย ม, มีบาตไว้หนึ่งใบไว้หากินมีมนผ้าจีวรสามผืนไว้สวมใส่ มีเข็มขัดลัดเอวหนึ่งเส้นมีใบมีดโกนไว้มีมีดโกนไว้สําหรับปองวงหนวดปองผมมีเข็มก็ได้ไว้ซ่อมจีวรเมื่มันขาดแล้วก็มีที่กรองน้ําสมัยก่อนต้องตักน้ําจากลําธารลำห้วยซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ใน <S <S ในน้ําก็ต้องใช้ที่กรอง <S <S ต่างน้ำขึ้นมาต้องกรองน้ําไม่ให้ติดตัวสัตว์ขึ้นมานี่คือบริขาร8ดหรือทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าของพระหลานตถาสาวก ทัานต้องการเพียงแค่นี้ไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นอยาใจของท่านนี้ไม่ต้องมีลาบยศสรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมาให้ท่านเสพเพราะท่านมีความสุขที่เหนือกว่าจากสิ่งเหล่านี้คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบให้เป็นสมาธินั่นเองพอใจมีความสงบมีความสุขใจก็ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆ ม, มาให้ความสุขเวลาใจยังมีความอยากอยู่ยังอยากไปหารูปเสียงกลิ่นรสเยอะ ก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องจากเราไปหรือหมดไปพอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราเศร้าโศกเสียใจทําให้เราทุกข์ใจขึ้นต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของที่เราสามารถควบคุมมั่งครับสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปและเราต้องจากมันไป พอเราเห็นทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความอยากที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหายไปหมดพอความอยากที่มีในใจหายไปหมดใจที่มีความหงุดหงิดลำคาญที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมดใจก็จะนิ่งสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจก็จะนิ่งสงบมีความสุขอย่างแท้จริงอย่างถาวรความสุขที่แท้จริงอย่างถาวร น, นี้พระพุทธเจ้าเรียกวันนี้ผ่าน นิบนิพานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆต้องมีสมาธิถึงจะใช้ปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิใจเรายังหิวโหยอยู่ยังหิวโหยกับความสุขทางโลกอยู่ท้งราบยศสรรเสริญอยู่ เราต้องมีความสุขของสมาธิก่อนนั่นเราถึงจะสามารถเลือกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญได้พอเราเลิกการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญได้ใจเราก็จะสงบทันทีแล้วความอยากต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความไม่สบายใจให้กับใจนี้หายไปหมดใจก็เกิดความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุข ไม่มีรูปดูก็ไม่ก็มีความสุขไม่มีเสียงได้ฟังก็มีความสุขไม่มีอะไรให้ล้มให้ให้ดมให้ริมรถก็มีความสุขอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการกําจัดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจออพอความอยากต่างๆนี้ถูกกําจัดไปหมดการที่จะกลับมาเกิดใหม่ต่อไปก็ไม่มีแล้วเพอใจไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายให้มีความสุข ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆใจก็จะอยู่ในโลกทิพย์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดใจของพวกเราทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิพย์แต่ส่งกระแสมามายึดติดมาเกาะกับร่างกายมาครอบครองร่างกายพกเพื่ออาศัยร่างกายมาให้ความสุขแต่ในที่สุดร่างกายที่ให้ความสุขกับเราก็กลายเป็นตัวที่ให้ความทุกข์กับเราต่อไป เราจะไม่พ้นจากความทุกข์ได้ถ้าตราบไดเรายังต้องมาเกิดอยู่วิธีเดียวที่ที่จะทำให้เราไม่ทุกข์และมีแต่ความสุขไปตลอดก็คือต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีเในใจหยุดการมาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสหยุดวิปหยุดภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นหยุดวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ เราก็จะมีความสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้พอความอยากหมดสิ้นไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนร่ายตายเกิด อ, อีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปเราก็จะอยู่ที่ที่สงบที่มีความสุขตลอดเวลาที่นั้นเขาเรียกว่าพระนิพพานนั่นเองนี่คือเรื่องราวของพวกเรา เรื่องที่เราอาจจะลังเลสงสัยกันไม่รู้เรื่องราวของเราว่าเราตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อเมื่อว่าเราตายแล้วเราก็ตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังต้องไปต่อไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่เราทำไว้ในโลกทิพย์ต่อไปแล้วพอหมดบุญหมดบาป ท, ที่เราไปรับแล้วเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ พรเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องอาศัยร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเครื่องมือเราก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่ได้ตัดความอยากคือการมาทันหาให้หมดสิ้นไปจากใจแต่พอเราตัดความอยากได้หมดแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแต่เราไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังอยู่ คิดได้อยู่ในสภาพที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือทั้งนี้อยู่เหมือนกับตอนนี้เรานอนหลับตอนนี้เรานอนหลับแลาหายไปไหนครับเราเราก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็ยังอยู่เราอยู่ในโลกของความฝันพระนิพนพานก็เป็นเหมือนโลกของความฝันที่มีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ให้แต่ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีเรื่องของความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวนี่แหละคือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอันตสาวกทั้งหลาย ท่านไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ว่าท่านไม่มามีร่างกายเหมือนพวกเราแล้วท่านไม่ต้องมาทุกกับเรื่องของร่างกายท่านจึงไม่สามารถติดต่อกับเราได้โดยตรง SO ถ้าไม่มีร่างกายแต่ถ้าเรามีพลังจิตสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้แล้วก็ยังอาจจะติดต่อกับพระพุทธเจ้าติดต่อกับพระานได้อยู่ต้องมีพลังจิตคนนี้มีพลังจิตสามารถที่ ต, yeah. ติดต so, ่อกับกายทิพย์ได้เพราะพระพุทธเจ้ากับพระานก็คือกายทิพย์เอง แต่นดาเป็นกายทิพย์ที่ไม่มาเกิดอีกต่อไปอ mm hmm. ันนี้แหละคือเรื่องของการมาฟังธรรมเพื่อมาตอบหาคำตอบที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่เราไม่ที่เรายังอาจจะไม่รู้ยังอาจจะไม่เข้าใจ mm hmm. พอได้ฟังได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นไป mm hmm. แล้วจะทำให้เรารู้ว่าเราชีวิตของเราควรจะดำเนินต่อไปอย่างไร mm hmm. ถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปนรกไปอาบายเราก็อย่าไปทาบาป ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ไปทำบุญกันถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ไปบวชกันไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันพอเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราก็ไม่ต้องกลับมาบวชไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ยังไม่มีความแก่ความเจ็บความตายต่อไปอันนี้คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปูราภิริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติเอชิตังป um ัติตังตุมหังคิปเมวะสเมชะโตสัพเทปุเรนโตสังกปา จันโทปณาราโสยธามณีเตอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศสตุมะเตภวะตะวันตาลาโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีริสะนิจจังุทธาปะจายิโน จัตตาโรโธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามถ้าอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เพนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังทำ น, าน้านากุดจากทางเฟ e บ o o กพระอาจารย์สุชาติ460ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์295 YouTube ดร V 50วิทยุออนไลน์8 Club House 1น้ากุด110รวมทั้งหมด924ท่านค่ะอ่ะอะานได้เลยคำถาม มีคำถามจากผู้รับฟังน้ากูดค่ะต้นไม้มีขันห้าและธาตรู้ไหมครับไม่มีต้นไม้มีแท้ขันสี่มีมีธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟแต่ไม่มีตาหูจมูกลิ้งกายก็เลยไม่มีวิญญาณมาก่อไม่มีนามาขันมาก่อมีขันเดียวมีรูปประขันแต่ไม่มีนามาขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถามจาก youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการคลองตนเป็นโสตจะช่วยให้เราอยู่ไกลาจากทุกขเวทนาต่างๆได้ดีกว่าการมีคู่ครองไหมเจ้าค่ะก็น้อยกว่าเนะี่ยเหมือนกับแบกของอะ่ะถ้าแบกของน้อยมันก็หนักน้อยถ้าแบกของมากมันก็หนักมากถ้มีของมากมันก็ทุกมากเพราะของทุกอย่างเราเมื่อมีแล้วก็เราต้องดูแลรักษาต้องเป็นความกังวลต้องมีความห่วงความห่วงขึ้นมา แล้วเวลาจากเราไปก็ทําให้เราทุกข์ถ้ามีน้อยก็จะทุกข์น้อยเพราะเมื่อมันจากเราไปมันมีน้อยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อยู่แบบนักน้อยสังโดษให้มีบริขารแค่แปดชิ้นก็พอมีสมบัติแปดชิ้นมีแบบมีบาดไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีจีวรสามผืนไว้สวมใส่มีที่แบบที่รัดเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นมีมีดโกนไว้ปรงผมปรงหนวด มีเข็มก็ได้ไว้ซ่อมจีวรเวลามันขาดแล้วก็มีที่กองน้ําไว้ตักน้ําขึ้นมาจากลาําธารมีแค่นี้ก็อยู่ได้นะถ้ามันหายไปก็มัไม่ใช่เป็นเรื่องทัศสมบัติใหญ่โตวความทุกข์ก็ไม่มีเท่าไหร่หาใหม่ได้ง่ายผ้าก็ ห, ห้หาของฟรีมาใช้ให้ใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าป่าชาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาเรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าที่เขาใช้หอ่อศพ พอสบมันมันแห้งกรอบไปแล้วผ้ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไปเก็บเอามาซักมาย้อมมาเย็บมาตัดเป็นจีวรได้ของไม่มีค่ามีไม่ ม, มีมีคุณค่าราคาเวลามันหายไปมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ใจถ้าของมันไหนมีคุณค่าราคาเวลามันหายไปก็จะทําให้เราทุกข์ใจเวลาอยู่กับเราเราก็กังวลใจไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนที่จะปลอดภัยนั้นไม่มีอะไรดีที่สุด ความสุขทางโลกอย่าไปพึ่งมันเลยมันมีความทุกข์ตามมาเอาความสุขทางใจดีกว่าความสุขจากการรักษาศีลทาบุญทาทานนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรที่เราจะต้องยึดติดม่อยู่ในตัวของเราตลอดเวลาคำถามจากทางยูท b e พระอาจารย์สุชาติค่ะ ดาบเรียนหลวงปู่ครับหากเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่เป็นนิกายอื่นสามารถไปปฏิบัติไปพัพนิพพานเหมือนกับชาวพุทธเทรวาได้ไหมครับถ้ามีมรรคแปดก็ไปได้ทางที่จะไปสู่พันนิพพานก็คือมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็ไปนิพพานได้เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ไปนิพพานได้ เราปฏิบัติมรรคแปดมันเป็นเหมือนกันองเดียวกันเพียงแต่มีคําพิสดารต่างกันทั้ 8, นยิ่งมรรคแปดนี้มันเป็นแบบพิษแบบแบบพิสดารแบบละเอียดแต่ถ้าย่อลงมามันก็เหลือ ส, สมามศีลสรรมะที่ปัญญาถ้าเป็นคารวะก็ต้องเพิ่มทานขึ้นไปเพราะคาราวะามีเงินมีทองต้องต้องสละเงินทองไปให้หมดถึงจะไปนิทานได้เหมือนเรือ ถ้าจะให้เรือวิ่งไปได้ต้องทอต้องถอนสมองก่อนถ้าไม่ถอนสมองเรือยก็จะไปไหนไม่ได้<ม>ใจก็เหมือนกันถ้าใจอยากจะไปนิพพานใจต้องถอนสมองคือต้องสละทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองไปให้หมดแล้วก็อยู่แบบนักบวชแล้วก็จะสามารถไปถึงนิพพานได้คําถามจากจากยูทูบจากคุณสิริมาค่ะ พอดีหนูออกจากงานมาเกือบสามปีกว่ากำลังจะหางานจะฝึกทักษะภาษาอังกฤษพอจะเริ่มเรียนกลับมีความรู้สึกว่าหนูเอาใจออกไปข้างนอกไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่พอเอาเข้าจริงๆทำให้หนูไม่ไม่ฝึกทั้งภาษาและปฏิบัติธรรมหนูควรทำอย่างไรดีเจ้าคะไม่ทำทั้งสองอย่างเลยเหรอือใช่ค่ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ทาก็ช่วยอะไรไม่ได้ ต้องทําแต่ให้ทําทาำทำอย่าไป ท, ำ ท, ำ ท, ำทำําทางโลกทางโลกนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความทุกข์ถ้าไปทําทางธรรมก็จะพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้คําถามจากทาง facebook ค่ะเวลาพระท่านให้พรหลังทําบุญฟังธรรมเราต้อง ขอโทษค่ะเวลาพระท่านให้พรหลังทำบุญหลังฟังธรรมเราต้องวางใจอย่างไรคะให้ได้บุญค่ะไม่ต้องวางใจเลยละเวลาเราทำบุญเราได้บุญนะ<ม>เวลาเราถวายของใส่บาตรเสร็จนี้เราได้บุญนะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะต้องมาให้บุญกับเราพระให้บุญกับเราไม่ได้<ม>ท่านเพียงแต่แสดงความยินดีชื่นชมยินดีกับการทาบุญของเรา เหมือนก็ให้กำลังใจว่าเาทำนี้ก็ดีนะอายุจะได้เจริญด้วยอายุวันณสุขภาราถนั้นเองแต่ท่านไม่ได้ให้พอรอะไเรา<ม>พรนี้อยู่ในตัวของเราเกิดจากการกระทำของเราเกิดจากการทำบุญทำทานของเรา<ม>พอเราทำแล้วไม่ต้องมาให้ใครมาให้พรเราไม่มีการให้พรของเราได้เราต้องเป็นผู้ให้พรกับตัวเราเองด้วยการกระทำของเราคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ อยากทราบว่าธรรมะที่เกิดขึ้นตอนนั่งสมาธิเป็นความฟุ้งซ่านของใจหรือไม่ครับอะไรเกิดขึ้นนะธรรมะที่เกิดขึ้นตอนนั่งสมาธิค่ะเป็ทำไมเนะเป็นความฟุ้งซ่านของใจหรือไม่ครับธรรมะไม่ใช่เป็นความฟุ้งซ่านธรรมะเป็นความสงบใครมีธรรมะแล้วใจก็จะสงบคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การใส่บาตรต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเสมอไปไหมคะเป็นธรรมเนียมทามาตั้งแต่โบราณการสมัยก่อนนี้เขาให้ความเคารพผู้ที่มารับบาตรคือพระเคารพพระเพราะถือว่าพระสูงกว่าเขาจึงไม่ใส่รองเท้าใส่บาตรเพราะจะยืนสูงกว่าพระก็เลยต้องถอดรองเท้าคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ การมาเกิดใหม่นอกจากเพราะความอยากของเราแล้วมันเป็นเพราะบาป บ, บุญด้วยด้วยหรือไม่เจ้าคะหรือเราจะไปเสวยบุญและชดใช้บาปด้วยจิตหลังตายแล้วก่อนเ ส, สมอก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบคะเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือความอยากส่วนเราเกิดดีเกิดไม่ดีนี่คือผลบุญผลบาปเอาคนเกิดมาร่ำรวยเกิดมารูปร่างสวยงามหน้าตาดีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนาน อันนี้เป็นอันนิสงของบุญที่เราทําในอดีตชาติถ้าเรามาเกิดแบบอภิรัก์มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอาการไม่ครบสามสิบสองอายุสัน้นอันนี้เป็นเป็นผลของบาป ท, ที่เราทําไว้มนส่งผลเยพอเราจึงมาเกิดไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดสูงบางคนก็เกิดต่ําอันนี้เป็นอันนิสงของผลบุญผลบาป ท, ที่ยังคัง่งค้างอยู่ในใจคําถามสักทางอินบ็อกซ์ค่ะ มีความประสงค์อยากร่วมทำบุญกับพระอาจารย์สุชาติแต่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางไปที่วัดได้สามารถร่วมทำบุญได้ทางไหนบ้างครับก็มาที่นี่นเลที่สุดคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ กระผมเป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่นในสมาธิของผมมันมืดหมดไม่มีอะไรเลยว่างไม่มีภาพไม่มีตัวเห็นอารมณ์แต่ก็ไม่ตามเห็นกิเลสก็รู้ระดับเห็นความคิดแต่เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรก็ปฏิบัติให้กิเลสมันหมดไปเวลาเกิกิเลสขึ้นมาก็อย่าไปทำตามมัน วลาโลภ ก, ก็อย่าโลภตามเวลาอยากก็อย่าไปอยากตามให้หยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความโกรธเมื่มันเกิดขึ้นมาคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการปฏิบัติธรรมในระดับผู้ครองเรือนขั้นแรกต้องเริ่มฝึกฝนตนแบบไหนก่อนคะก็ต้องมีศีลการที่อยู่กันครอบครัวที่มีความสุขต้องมีศีลซื่อสัตย์ซื่อสัตว์ต่อกัน ไม่นอกใจกันไม่หลอกลวงกันไม่โกหกหลอกลวงกันถ้าอยู่แล้วไม่มีความซื่อสัสตว์ต่อกันมันอยู่ยังไม่มีความสุขเพราะมันจะอยู่ด้วยความระแวงสงสัยนั้นทุกคนที่มีครอบครัวเป็นผู้ครองเรือนี้ต้องถือศีลห้าให้ได้แล้วก็ถ้าอยากจะมีความสุขก็ทำบุญทำทานตามโอกาสตามกำลังแล้วถ้ามีเวลาว่างก็ฝึกฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิบ้างตามโอกาส อย่างนี้ก็พอที่จะทำให้ชีวิตของผู้คองเรือนมีความสุขได้คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นธาตุสี่แล้วจิตเราที่เป็นผู้รู้เป็นตัวเราไหมครับไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นธาตุรู้เหมือนกันเป็นเหมือนธาตุดินน้ำลมฝานไม่มีตัวตนตัวเรานี่เกิดจากความคิดของธาตุรู้กึิ่ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนแต่งเป็นนิยายขึ้นมา ในเวลาเราเขาแต่งนิยามมันมีจริงเหมครัแต่งเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันเป็นความการปรุงแต่งของจิตตัวเรานี่ก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตของทา่านลุงนินเท่านั้นเองเราต้องรู้ทันมันพอเราหยุดการคิดการปรุงแต่งได้ตัวเราก็หายไปเวลาเข้าสมาธินี้ตัวเราจะหายไปเพราะใจนิ่งสงบใจไม่ปรุงแต่งความรู้สึกว่ามีเรามีเขาก็หายไปหมันเกิดจากความปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเอง คำถามสัทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิใจเหมือนตกหลุมตกบ่อทุกครั้งแล้วก็นิ่งอยู่สักพักแสดงว่าจิตใจอยู่ในความสงบระดับไหนคะระดับกันนิกะถ้าสงบเดียวๆยังสงบไม่นานถ้าสงบเป็นนาทีเป็นสิบยี่สิบสามสิบนาทีก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิต้องฝึกสติให้มากขึ้น เพาสตินี้แหละที่จะทําให้ใจสงบนานหรือไม่นานถ้าสติน้อยมันก็จะสงบได้น้อยสงบได้ไม่นานถ้าสติมากมันก็จะสงบได้มากได้นานเหมือนน้ามันลดถอะถ้าเติมน้ํามันน้อยก็วิ่งไปได้ไม่ไกลถ้าเติมน้ํามันมากมันก็จะวิ่งไปได้ไกลสตินี้เป็นตัวสํำคัญในการที่จะทําจิตให้สงบสงบมากสงบน้อยสงบนานหรือไม่นานสงบเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยมันอยู่ที่สติ ต้องฝึกสติก่อนมานั่งเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาเราไม่รู้กันเท่านั้นเองพอตื่นขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปเลยนี่ก็เริ่มฝึกสติละค<ม>อยควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปใจก็จะมีสติอย่างต่อเ น, นื่องพอมานั่งสมาธิบางทีห้า น, นาทีใจก็รวมได้หมดหรื<ม>อยังยังไม่มีคาถามค่ะ มีใครอยากจะถามอะไรไหมเพราะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราก็จะเริ่กกันแล้วนะอืเดี๋ยวเลิกแล้อย่ามาถามนะเพราะไม่มีเสียงนะถามตอนนี้มันมีไมโครโฟนพูดแล้วมันไม่ต้องออกเสียงดังมากเวลาที่ไม่มีไมโครโฟนเวลาคุยกันมันต้องออกเสียงดังมากแล้วก็ไม่สะดวกเดี๋ยวญาติคนนั้นญาติโยมคนนั้นจะมาขอให้ถ่ายรูปจะมาลาอะไรต่างๆถ้าจะมาคุยมาถามธรรมะตอนนั้นก็จะไม่สะดวกใครจะถามว่าขอให้ถามตอนนี้ เชิญถ้ายังมีก็ถามต่อได้คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนั่งสมาธิต้องอาราธนาสินห้าก่อนไหมครับอาราธนาไปทําไมนั่งสมาธิให้ราธนาสติถ้าไม่มีสติมีมีมีสินห้ามันไม่ไม่ทำให้ใจสงบใจสงบต้องมีสติแต่ศินห้าก็เป็นความจําเป็นอย่าไปกินเหล้ า, า, าถ้ากินเหล้าแล้ว ม, มานั่งสมาธินั่งไม่ได้มันจะเมามันจะหลับ ถ้าไปมีเรื่องมีราวกับคนนี้คนนี้ก็ต้องไปแก้แก้ปัญหากันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิฉะนั<ม>้นต้องรักษาศีลไว้ให้ดีก่อนที่จะมานั่งสมาธิแต่ไม่ต้องาอาราธนาเอาให้รักษาการรักษาศีลนี่สําคัญกว่าการอาราธนาอาลาธนาแล้วไม่รักษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร<ม>ต้องรักษา<ม>รักษาศีลให้ดีแล้วก็จะได้มีเวลาว่างไม่มีเรื่องมีราวมาดึงให้เราไปทําแก้ปัญหาต่างๆ เราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิมานั่งสมาธิเราก็ต้องอาราทธนาสติให้มีสติตั้งตั้งสติอยู่ทุกพุทโธพุทโธพุทโธไปคำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าต้องการแยกกายออกจากจิตต้องเริ่มจากนั่งสมาธิใช่ไหมคะเวลาจิตสงบจิตกับร่างกายจะแยกออกจากกรโชั่วคราวคำถามจากทาง Facebook ค่ะ นั่งสมาธิชอบหลบับแก้ยังไงครับกินให้น้อยๆอย่าอย่ามานั่งตอนที่กินข้าวอิ่มใหม่ๆหลังท้องเติมแล้วหนังตามันจะหย่อนต้องถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ถือศีลแปดไปอย่ากินหนังเที่ยงวันไปแล้วพอตอนเย็นๆเรามานั่งสมาธิมันจะไม่ง่งวงนะแต่ถ้าเรามากินอาหารเย็นแล้วก่อนนอนมานั่งสมาธินี่มันจะหลับคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ มีผู้กล่าวว่าการนั่งหลับตาเป็นวิธีปฏิบัติผิดวิธีถูกต้องไหมครับก็เรื่องของเขาเขาจะพูดยังไงก็พูดได้ <S <S แต่การนั่งสมาธินี่เราต้องการดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรายาึดตาอยู่ใจมันก็ยังจะไปติดอยู่กับรูปอยู่มันก็จะเข้าสมาธิไม่ได้เห็นต้องหลับตาหลับตาแล้วมันก็จะได้เข้าสมาธิได้ง่าย